สิขาบทวิพัง430ที่ชื่อว่าสมรุเทศพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสมณเณรคําว่ากล่าวอย่างนี้คือสมรุเทศกล่า ว, ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทําตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่อนตรายก็หาสามารถก่อนตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่คําว่าสมรุเทศนั้นได้แก่สมรุเทศผู้กล่าวอย่างนั้น คำว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอื่นวพวกภิกษุที่ได้เห็นได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนสมรรถเทศนั้นว่าสมรรถเทศเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีร พ, รมร พ, มพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นสมรรเทศพระผู้มีพระภาคตัรทำที่กอ่อนตรายว่าเป็นธรรมก่อนตรายไว้โดยประการต่างๆ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 คำว่าผู้ถูกสง์นาสนะแล้วอย่างนั้นคือถูกสงให้ชิบหายแล้วอย่างนั้นที่ชื่อว่าสมรูเทศพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสมรเณนคำว่าปลอบโยนคือภิกษุปลอบโยนว่าเราจะให้บาดจีวร อ, อุเทศหรือปริปุชฌาแก่สมรุเทศนั้นต้องอบัตปาจิตตีคำว่าใชใ้เธอให้อุปถากคือภิกษุยินดี จุรณะดินเหนียวไม้สีฟันหรือน้ําบ้วนปากของสมรูพเทศนั้นต้องอบัตพาจิตตีคําว่าคบหาอธิบายว่าเรียกว่าคบหาได้แก่การครบหาสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งคบหาทางอามิตรวงเล็บสองคบหาทางธรรมที่ชื่อว่าคบหาทางอมิตรคือภิกษุให้อมิตรหรือรับอมิตรต้องอบัตปาจิตตีที่ชื่อว่าคบหาทางธรรมคือภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดง ภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงเป็นบทต้องอบัติปาจิตตีทุกๆบทภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงเป็นอักษรต้องอบัตตปาจิตตีทุกๆอักษรคำว่านอนร่วมอธิบายว่าในที่ที่มีรังคาเดียวกันเมื่อสมรเทศผู้ถูกสง์ Nan, นาสนะนอนภิกษุก็นอ น, น, อนต้องอบัติปาจิตตีเมื่อภิกษุนอนสมรเทศผู้ถูกสง์นาสนะก็นอนภิกษุที่นอนด้วย ต้องอบับดับป่าจิตตีหรือนอนทั้งสองรูปต้องอบดัดปาจิตตีทั้งสองลุกขึ้นแล้วกลับนอนอีกต้องอบดับปาจิตตี